คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหลักสำคัญข้อที่หพึ่งตนยกระดับตนให้สูงขึ้นและกฎแห่งกรรมประการที่สองพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตัวเองในการยกระดับแห่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นในวงเล็บวัฒนธรรมเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ได้พูดถึงการที่พระพุทธศาสนา เป็นต้นตำรับแห่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของโลกเพราะพระพุทธศาสนาสอนคนให้พยายามยกระดับของตนเองให้สูงขึ้นให้ปราณีตขึ้นเสมอทั้งโดยการศึกษาและโดยการฝึกหัดไม่ให้ปล่อยชีวิตไปตามบุญตามกรรมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ปรากฏในทัศกานิบาทอังคุตรานิกายประไตปิฎกเล่ม24ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้แต่การหยุดอยู่ในกุศลธรธรมทั้งหลายเรายังไม่สรรเสริญจะไหนเราจะสรรเสริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สรรเสริญการหยุดอยู่หรือความเสื่อมเมื่อทางพระพุทธศาสนาสอนให้ก้าวหน้าให้สร้างความเจริญรุ่งเรืองไม่หยุดอยู่กับที่เช่นนี้ จึงส่งเสริมความภาคเพียรความเข้มแข็งอดทนและความเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังมากว่าเป็นคุณธรรมสำคัญแต่ละประการในตอนนี้ที่กล่าวถึงข้อที่พระพุทธศาสนาสอนให้ยกระดับแห่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นด้วยตนเองจึงทำให้เราได้มีโอกาสพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นต้นตำรับแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของโลกสืบต่อไป วัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมคือความเจริญขึ้นความดีขึ้นหรือประณีตขึ้นกว่าเดิมโดยการศึกษาและการฝึกหัดความเจริญขึ้นหรือดีขึ้นนี้ไม่จากัดว่าจะเป็นทางไหนสุดแต่ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่รวมกันเป็นหมู่แล้วจัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมทั้งสิน้นวัฒนธรรม แบ่งออกเป็นหลายสาขาเช่นวัฒนธรรมทางวัตถุบ้างวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุคือเกี่ยวด้วยขนบธรรมเนียมและศิลธรรมบ้างประเทศไทยเราเคยแบ่งงานวัฒนธรรมออกเป็นสีประเภทคือ 1. กติธรรมได้แก่วัฒนธรรมทางศิลธรรมหรือจิตใจ2 เนติธรรมได้แก่วัฒนธรรมทางกฎหมาย 3. วัตถุธรรมได้แก่วัฒนธรรมทางวัตถุและสสหธรรมได้แก่วัฒนธรรมทางสังคมนอกจากนี้ยังแบ่งงานวัฒนธรรมอีกหลายทางเช่นวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณีทางวรรณกรรม ทางศิลปกรรมเป็นต้นแม้จะแบ่งวัฒนธรรมออกเป็นกี่อย่างก็ตามพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่ามีส่วนส่งเสริมคนให้ดีขึ้นในทุกวิถีทางอยู่เสมอมาในที่นี้จะแสดงหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมทางไหนบ้างดังต่อไปนี้